Book 2ยี่สิบห้าในเมืองมิตดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟดิฉันต้องการไปที่สนามบิน อัชโีอัตาดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองอัชโนรูตซนตราดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะเกรติอเฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ เก n u มานูวิกที่โอโรวัสต์ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะเกท์มานูวิกที่ซนทรดิฉันต้องการแท็กซี่มานเรเตกซดิฉันต้องการแผนที่เมืองมานเร k ก mi อสโตพลาน ดิฉันต้องการโรงแรมมานเรเกวิเบูชูดิฉันต้องการเช่ารถยนต์อสโนเรเชอิสโนมัเตอโตโมเบลีนีน่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะเมาโนเครดิตเนียโคเตลินี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ š ตร j mano โอเ r อร์รูทัวร y m ปจิมเ s อส์เทียสิสในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะกาแกลมาประมดีเตมิอัสเตมคุณไปเมืองเก่าสิคะนวกติสนามิคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะปรีกตอสกซียโปมต คุณไปที่ท่าเรือสิคะหนเอคิตเตย์อวสตไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะปาริกเดออสคูเซีปอวสตายังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะคุก u อิชิมิบุดาริระเบตะรุณาไปที่